นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้มาถึงเวลาฟังธรรมนั่งสมาธิให้พากันตั้งใจ ทสิ่งทุกอย่างนั้นมันขึ้นกับดวงใจดวงเดียวเท่านั้นแหละการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้าย ตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกคำว่าพุทธโธให้เราละลึกาพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้มีความเพียรความหมั่นความขยันเป็นผู้มีความอดความทน ไม่ท้อแท้อ่อนแอท้าวว่าท่านจิตใจอ่อนแอก็ไม่ได้ตรัสเป็นพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญทานจนนับไม่ท้วนรักษาฉินทุกพบทุกชาตินับตั้งแต่ท่านปราถนาโพธิญาณมาเดียว่าเป็นผู้มีจิตใจอันเข้มแข็ง ไม่ยอ่อท้อพระองค์มุ่งต่อพระโพธิญาณผลที่สุดกำลังจิตใจที่ไม่ท้อถอยนั้นบำเพ็ญทานรักษาศีลมาสีอสงไขแสนหมากับก็ได้มาตรัสลู้เป็นพระศาสดาาจารย์สัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้า พระพุทธเจ้าโคโดมนี่แหละถ้าเราฟังแต่เวลานี้ก็เหมือนกับ ง, ง่ายถ้าฟังถึงว่าท่านตั้งสัตธิฐานไว้จากตั้งต้นนั่นมาจนถึงได้มาตรัสโล ป, ป็นพระพุทธเจ้านี่ ที่อาสงไขยแสนมหากับไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยกลับกรบกันกันนั้นทันว่นนานที่สุดเราทุกคนที่ได้มานั่งสมาธิภาวนาอยู่ที่นี่บัดนี้นั้นมันไม่นาน ไม่นานเหมือนพระพุทธเจ้าบำเพ็ญมาแค่นั้นเรื่องเล็กที่เราทำอยู่นี่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเรานะ่ะมันเรื่องใหญ่ใหญ่ที่สุดละถ้าจะว่าถึงการทำบุญสุนทานทำจนกระทั่งว่า ความตนีเหนียวแน่นในจิตใจนั้นหมดสิ้นไปจึงให้ชื่อว่าทานบารมีของพระโพธิสัตว์เต็มแล้วเต็มแล้วก็ชาติสุดท้ายชาติที่เป็นเวสสันดรสาดกทานโลกก็ได้ ทานเมียก็ได้ส่วนวัตถุเข้าของนั่นแล้วว่านับไม่ถ้วนใครต้องการอะไรปาถนาอะไรมาขอจากพระองค์สมัยโยในคลาวาสญาติโยมใครมาขออะไรท่านก็สละให้ จนกระทั่งว่าไปทานช่างเผือกช้างเผือกตัวเชือกแน่น่ะไปอยู่ที่ไหนฝ้าฝนชนนธ า, า, า, าไม่ตกลงมาตกลงมาฝนต ก, ตกดีไม่เหมือนปีนี้ปีนี้เนี่เพราะโมมีเวทสันดอนทานช่างจึงเกิอดอดน้ำบ้าง เวทสันดรซาดกนั้นท่านไม่ท้อไม่ถอยทานลูกน้อยสองคนตาดำๆท่านก็สละทานให้ตาชูชกต่อมากลับมาเป็นพระเทวทัตนั่นแต่ะีนี่พอรับทานสอง กันหาสลีนั่นแล้วเทวดาก็บรนรมบรรดาไม่ให้กลับเมืองเดิมของตาแกหลงทางกลับไปเมืองเวชสันดอนนั่นอีกปู่ย่าตายายก็เลยไถ่ไว้ก็พ้นภัยไป เทนี่ตาชูชกชูชกนี่โลภมากพ อ, อพระเจ้าสนใจแลกเอาเงินทองแลกแล้วก็กินเลี้ยงกินเลี้ยงก็กินมากจะหน่อย พวกเทสเวสันดอนหรืออันนั้นเขายังแต่งเป็นโครงเป็นอันนั้นว่าตาชูชกเนี่ยมันโลภมากจนตายแล้วกินมากเข้ามากเข้ากินเลี้ยงพระเจ้าสนใจจนตายมันท้องไม่ย่อยมันกินมาก เขาจึงแต่งเป็นโครงว่าตาชู่ชกเก็บขาหมูใส่รีลัยรีลัยเก็บขาไก่ใส่รีลั่นรีลั่นขาหมูมั่นพ า, ามเท่าแหงมัดปากพ า, ามเลี่ยวคุ้งหูกินจนท้องท้องอืดในคืนวันนั้นก็เลยตาย ตาทุดชกกินจนตายแสดงคนเราทาโลกมากมันตายกันว่ายังไงทีนี้พอตายแล้วมันคนเมืองอื่นคนเท่าถามหาญาติพี่น้องอยังก็ไม่มีเงินที่พระเจ้าปู่พระเจ้าตาไทยเอาหลานน้อยสองคนก็นเลยบุมีบุมีญาติพี่น้องมาเอา เงินนั่นก็เรียกว่าเข้าครังของพระเจ้าสนใสตามเดิมนั่นให้เราเห็นว่าพระพุทธเจ้านั่นเป็นผู้สามารถอาถารในขั้นยังไม่บวชท่านก็ทาบุญทาทานจนกระทั่งว่าไม่มีใครสามารถทำได้เหมือนท่าน ที่นี่มาเกิดปัจจุบันชาตินี้สเสด็จออกบรรพชาหกพันสาล่วงแล้วจึงได้ไปนั่งภาวนาใต้ล่มไมโพเดือนหกเพนจึงได้ตัดสลูกเป็นพระพุท ธ, ธเจ้าโคโด ม, มโคต หมดเรื่องหมดลาวแหละบัดนี้ไม่ต้องมาทุกมาเดือดร้อนวุ่นวายเหมือนชาวโลกอีกต่อไปเพราะพระองค์เข้าสู่นรืผ่านอันเป็นสถานที่มีความสุข ก, กายสบายใจหมดทุกอย่างเป็นที่อิ่มที่พอมาจากภาวนา อย่านั้นเราทุกคนที่นั่งภาวานาพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจทุกลมหายใจเข้าออกนี่ก็ให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าถ้าจิตของเรานี่แหละทําทานยังไม่เต็มที่เสียสละยังไม่ได้เต็มที่ ไม่ได้เต็มที่เหมือนพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายพระพุทธเจ้านั้นท่านบำเพ็ญได้ทุกอย่างผลที่สุดนะบุญบรารมีอันนั้นพาให้จิตใจของพระองค์มีความสามารถอาจหานจะเห็นได้ว่าในคืนเดือนหกเพ็ญ นั่งภาวนาใต้ลมไม้ต้นไมโพท่านตั้งใจไว้ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ตัดสูปเป็นพระพุทธเจ้าจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้เป็นอันขาดแม้เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่นหนังหุ้มกระดูกก็ตามทีนี่ถ้าเราฟังคำข้อนี้เนั่ น, นแสดงความ เด็ดขาดของพระพุทธเจ้าท่านไม่กลัวตายไม่กลัวเน็ดกลัวเหนื่อยท่านเอาจริงว่าคืนมันนั่นเอาจริงๆงยอมตายในที่นะั่งดีกว่าไปตายที่อื่นสแสดงถึงความตั้งใจเต็มที่ จนกระทั่งกิเลสมานสังฆารมานต่างๆจะมาดึงหัวใจพระองค์ให้หลงไหลไปกับโลกนี้อีกต่อไปไม่ได้แล้วเดี๋ยวจิตของพระองค์หยุดแล้วไม่ทำบาปต่อไปไม่พูดสิ่งที่เป็นบาปต่อไปไม่คิดสิ่งที่เป็นบาปต่อไป ทำอะไรก็ทำด้วยเจตนาเป็นบุญพูดอะไรก็พูดกล่าวตัดตามเจตนาที่เป็นบุญนั่นพระพุทธเจ้าจึงแสดงออกทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางจิตทางใจด้วย เสียสละอย่างเอกด้วยมนุษย์ในโลกนี้ไม่มีใครสามารถเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างได้เหมือนพระพุทธเจ้าอันนั้นคําที่เราเอามาภาวนานี้พุทธโธหมายถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีความสามารถอ่านฐารจริงๆ วันนี้จึงให้พากันนึกภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจเข้าไปภายในไม่ให้แสสายไปตามกระแสอารมณ์กิเลสภายนอกจงรวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งมั่นอยู่ในดวงใจของตัวเองคนเราในโลกนี้ถ้าไม่ภาวนาที่พึ่งนี้ยังไม่สมบูรณ์ ต้องภาวนาทำความปีนละกิเลสได้จึงเป็นที่พึ่งได้จริงๆพึ่งได้ทั้งญาติทั้งโยมสมัยครังพระพฤติจัภาวนาทำความปีนละกิเลสได้จริงๆเพราะว่าใจใจบำเพ็ญทานใจรักษาศีลใจภาวนา ทรมาโดยลำดับจนกระทั่งความท้อถอยในใจไม่มีมีแต่สามารถอาจหารท้งนั่งสมาธิภาวนาูุบายธรรมต่างๆก็เกิดมีขึ้นพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าเป็นผู้สามารถอาจหารไม่ท้อแท้อ่อนแอไม่กลัวตาย เมื่อความไม่กลัวตายนั่นแหละมีอยู่ในน้าพระทัยใจพระพุทธเจ้าท่านก็มีความสามารถอา่านนั่งภาวนาอุบายภาวนาของพระพุทธองค์ก็อนนาป่าลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าไปลมหายใจออกมานี่แหละพระองค์เอาองคงนี้เป็นที่ภาวนา และในคืนวันนั้นตั้งใจภาวนาเอาจริงเอาจังจึงได้ตรัตสลูเป็นกับพุทธเจ้าขึ้นในโลกเพราะจิตใจท่านไม่ท้อไม่ถอยเห็นนั้นเราทุกคนทุกดวงใจ ต้องเชื่อต่อคุณพระพุธทธเจ้าให้เต็มใจเต็มกายวาจาจิตอยู่เตือนใจของเราให้รู้สึกสำนึกผิดการมาเกิดในโลกนี้มันเป็นมาเกิดผิดไม่เสถกเพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ ความทุกข์น่ยมันเกิดมีขึ้นในร่างกายสังขารของเราทุกคนได้ทุกเวลาเมื่อมีโรกประคันตัวตนอยู่ที่ไหนภัยอันตรายมันก็มีอยู่ในที่นั้นและคืนนี้วันนี้เราท่านทั้งหลายก็มาสู่สถานที่ฟังธรรมสถานที่นั่งกรรมฐ า, านภาวนาคือถ้ำพระปล่องนี่ สถานที่เช่นนี้ก็หายากอยู่ส่วนมากนั้นมักจะเป็นสถานที่ไม่ค่อยเงียบดีไม่เหมือนที่นี้ที่นี้มันเป็นที่เงียบส ง, งัดถ้าฮวาผู้ใดตั้งอกตั้งใจภาวนาเอาจริงๆเลยก็จะได้ จิตใจสงบระงับติดตัวไปเพราะว่าใจคนเหล่านั้นมันแล้วต็ดตัวเจ้าของเองพาไปพาประพฤติปฏิบัติชอบบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาร่างกายเขาไม่ว่าทำดีข้าพระเจ้าก็ไปด้วย ถ้าคนใจบาปพากายไปทำบาปทำกรรมมันก็ไปด้วยในนั้นเวลานี้จึงไม่ควรคิดนึกตรุงแต่งไปเรื่องภายนอกเรื่องภายนอกไม่มีที่จบที่สิน้นอำนาจของตัณหามันมากมายเล่เหลี่ยมมารยาสาไถในหัวใจมันมากมายทีเดียว จงพากันตั้งอกตั้งใจบริกรรมคำว่าพุโทโธพุธโทโธนี้ไม่ใช่เมียเพียงแต่คำพูดเสกสรรขึ้นมาเท่านั้นถ้าพวกเราทั้งหลายไปเกิดในสมัยพระพุทธเจ้ามีชีวิตชีวาอยู่โรดสัตว์ลือขนสัตว์อยู่นั้นจะมีความปีติยินดี ในคุณพระพุทธา้าเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วดีเท่าพระพุทธเจ้าไปได้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านแึงเอาพุทธคุณมาลำเลียงให้เราเห็นได้ศึกษาเราเรียนได้สวดยทยายทุกวันทุกคืน นั่นจิตใจของเรานั้นอย่าไปท่อแท้อ่อนแอในการปฏิบัติธรรมะคนไหนก็ตามมาชักจูงให้ไปทางที่ผิดเราอย่าไปเชื่อมันง่ายง่ายต้องเชื่อต่อพระธรรมคำสอนพระพุท ธ, ธเจ้าว่าใครก็ตามถ้าประพฤติตาม ทระธรรมในสัตวุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะมีความเย็นอกเย็นใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายพุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่ามีแต่อย่างต่ำพุทธโธอย่างต่ำก็มีพุทธโธอย่างกลางก็มีพุทธโธอย่างสูงสุดก็มี ให้เรารวบรวมกําลังจิตกําลังใจนี้เข้ามาภายในอย่าให้มันไปภายนอกถ้ามันปรุงแต่งคิดนึกไปภายนอกมันจะไม่เห็นจิตเห็นใจไม่เห็นตัวเราเองกิเลสต่างๆมันจะลุ่มเข้ามาแย่งแค่นบรรลังเหมือนสมัยสพุลติเจ้าจะได้ตัดสลูนะ่ พยามาณมาโจมตีใหญ่แต่พระองค์ก็เอาอุบายภาวนาวางเฉยให้ได้เมื่อจิตของพระองค์วางเฉยความยุ่งยากต่างๆมันก็หายไปมีแต่ความตั้งใจมั่นในธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติ คือการปฏิบัติตามธรรมะจึงให้พากันนึกน้อมถึงคุณพระพุทธเจ้าจริงๆเพราะว่าในมนุษย์โลกนี้พระพุทธเจ้ามาอุบัติบังเกิดขึ้นมาแล้วท่านดดบขันเข้าสู่นรกผ่านแต่ท่านก็ยังฝาก พ, พระธรรมีหน ทำสอนที่พระองค์ทรงสอนไว้ให้พวกเราทั้งหลายประพฤติปฏิบัติไม่ให้จิตใจทอแท้อ่อนแอว่าเราเกิดมาไม่ได้พบไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้าถ้าเราตั้งจิตตั้งใจให้ดีและไม่ไปไหนต้องมีเวลาพบมีเวลาเข้าใจถูกต้องได้ ใดที่เราไม่เคยทําเราก็ไม่เข้าใจก็เห็นว่าเป็นของยากเราจะวหวพระสวดมนต์นั่งกรรมฐ า, านภาวนาก็ไม่ค่อยจะได้เพราะว่ากิเลสมารสังขารมารที่มันมีอยู่ในหัวใจของคนเรานมันไม่ยอมเปิดเผยมันจะมีแต่ความโลภจิตอยู่ในจิตใจของเราทุกคน ให้พากันรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในว่าในร่างกายของเหล่านี้มีอะไรอยู่จึงรู้จักยืนเดินนั่งนอนไปมาที่ในที่ต่างๆถ้าเราตั้งใจทำความดีจริงๆบุญมันก็เท่ากันก็ว่ามันเลียดลาดมา ถ, ถึงได้ อย่างเราเกิดมาชาตินี้ถ้าว่าคนรุ่นเก่าเขาไม่ได้บาเพ็ญภาวนาไว้หรือไม่ได้หลอ่อพระพุทธลูกไว้เราเกิดมาสุดท้ายภายหลังก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้เพราะชีวิตของคนเหล่านั้นมันมีภัยอันตรายรอบด้าน คนใดก็ตามท้าวานึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วทานว่าใจย่อมสบายพระพุทธเจ้านั่นผู้ใ ด, ดเลื่อมใสศรัทธากลาวไหวบูชาจนจิตใจนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาในใจจะอยู่นานเท่าไหร่ก็ตามมีแต่ความสุขความสบาย ละใจถึงคุณพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ว่าจำแต่แค่เพียงภาษาเท่านั้นเอาจิตใจประพฤติตามปฏิบัติตามภาวนาพุทโธล่วงเข้าไปอยู่ในหัวใจดวงจิตดวงใจก็จะมีความสุขสบายความสุขสบายในใจนี้ท่านว่า เป็นความสุขอันสูงส่งนั่งก็เป็นสุกนอนก็เป็นสุขยืนเดินไปมาที่ไหนก็เป็นสุขทั้งนั้นเพราะใจภาวนาเราทุกคนก็มีความประสงค์ต้องการอยากจะได้บุญกุศลภายในจิตใจนั้นก็ให้ตั้งใจภาวนาเอาเอง พุทธโธพระพุทธเจ้ามันก็อยู่ที่ใจของเรานั่นแหละทำโมระธรรมก็อยู่ที่ใจสังโฆคุณพระอริยสงสาวก็อยู่ที่ดวงใจของเรานั่นแหละแต่ว่าถ้าเราไม่ตั้งอกตั้งใจเอาจริงเอาจังมันไม่ยอมไม่มีอะไรทําก็ทํเรื่อยไป เป็นธรรมเนมของนักปราชญ์เจ้าทั้งหลายในทางพุทธศาสนาท่านมีความเพียรความหมั่นความขระยันไม่เกียดข้านท้อถอยตั้งใจภาวนาอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกใจมันอยู่ที่ไหนจิตใจคนเราไม่ได้อยู่อื่นไกลที่ไหนมันมีอยู่ภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบนี้แหละ ดวงจิตดวงใจนั้นถ้ารูปร่างกายแตกดับแต่ว่าจิตมันไม่แตกไม่ดับมันก็แสวงหาพบใหม่ศาสตร์ใหม่เกิดขึ้นมาอีกเพราะอาวิชชาความหลงความไม่รู้ในจิตรวมกำลังตั้งมั่นลงไปในหัวใจให้ได้ อะไรมันไม่มีเหลือวิสัยของคนเราที่มีความเพียนไปได้เราจะต้องตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาจริงเอาจังกันเสียทีการนั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์ประพฤติดีปฏิบัติชอบในทางพุทธศาสนานี่ให้พากัน จงน้อมนํามาเข้ามาภายในอย่าให้ใจออกไปภายนอกใจของคนเราถ้าอยู่ภายนอกอะไรอะไรมันต้องออกนอกไปเรื่อยล่ะแต่ไม่ถูกจดที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์พระพุทธเจ้านั้นท่านต้องการให้พวกเรายังไม่แก่ไม่ชราก็ เอามาภาวนาในใจให้ได้จำอะไรไม่ไดก็เขียนคำภาวนาไว้ในใจว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าไปถึงไหนมนุษย์และเทวดาก็แสดงเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นมงคล การภาวนานี่แหละเป็นมงคลอันสูงสุดในทางพุทธศาสนาไม่มีที่ใดที่จะเหลือไปได้แต่ถึงกะนานจิตใจคนเราก็ยังไปติดไปคล้องอยู่แค่กระแสโลกโลกนั้นจงพากันรวบรวมกําลังจิตกําลังใจให้สามารถอาิฐาน นั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้คิดใจท่อแทอ่อนแอในหัวใจตั้งใจบำเพ็ญภาวนาให้ได้ยาติหนอคนใจบุญใจกุศลจะมาเกิดในโลกนี้ส่วนมากคนใจบาปนั่นแหละมีมากที่สุด อุบายต่างๆที่กล่าวมานี้เป็นอุบายเตือนจิตใจเราท่านทั้งหลายจะได้ลุกขึ้นมาตั้งใจบำเพ็ญทานรักษาฉินจเจริญภาวนาในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละทนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัศตุมาเตภวัตวันตราโยจุกิติคายุโกภวะอาภิวาธนาธีริสนิตยังบุทธาปจายิโนจ ต, ตาโรโธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภาลัง